ท่า น, นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องสร้างวัดใหญ่วัดโตเพื่ออะไรกันสร้างประทมัยมีคนยอดเสือกขอใช้ภาษาไทยว่ายอดเสือกมีจดหมายมาตำหนิบ้างแล้วก็มีหลายคนที่มาตำหนิด้วยตนเองบ้าง ทั้งหมดนี่ขอยกย่องสรรเสริญแต่งตั้งให้ว่าเป็นคนยอดเสือ่อเพราะอะไรไหมก็เขาไม่ได้เชิญนี่มาเองก็เสือกอ็ตินิสสมะกระนังเสยโยการใครควรเสืยอก่อนแล้วยิงทำดีกว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าคนดีจริงๆเนี่ยเขาต้องคิดก่อน ถ้าคิดแล้วยังไม่เข้าใจมันต้องถามก่อนเพราะคนสร้างยังอยู่แล้วก็มีบางคนมานั่งขณะนั้นรู้จึกจะเป็นพยาบาลของจังหวัดไหนก็นนอย่าพูดเลยว่าสร้างวัดสวยๆก็งานทําไมเอ็งน้นไปแจกคนยากจนดีกว่าอีหนูคนนั้นพูดดีกเ็เลยบอกว่าที่นี่มีศูนย์ส่งเคราะห์คนยากจนในถิ่นธุรกันดารกาลังต้องการทรัพย์สินจะไปแจกยากคนยากจน ที่กำลังอดข้าวไม่มีเสือ้อไม่มีผ้าไม่มียารักษาโรคไม่มีผ้าห่มไม่มีอาหารจะกินถามจะร่วมทัตว์ไรบอกไม่มีนี่ในอีจอมเสียกมันเป็นอย่างนี้มันก็ได้แต่พูดแต่ไม่ได้ถามนี่ไอความเลวของคนไทยเรามันยังมีอยู่มากแต่อย่าลืมว่าคนไทยที่ดีก็มีเยอะ นี่คอยจอมเลวแบบนี้มันสร้างความยุง่งนี่การสร้างวัดสร้างวาสร้างได้มากมายเป็นทำได้ยังไงนี่เขาลือกว่าเป็นได้เงินมาจากคอมมอนนิสต์บ้างอะไรบ้างคอมมอนนิสต์ที่ไหนเขาจะให้เนี่ยคอมนนิสต์เขาจะฆ่าสไตล์ ส, สมัยก็ไม่ทราบ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันแต่ที่ข่าวที่ไม่จะมาจากใครมาจากพวกที่เกาะหลังกิน เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเพระได้รัศมีเขาบ้ังเอาชื่อไปขายเสื้อบังได้กันปีเป็นหมื่นเป็นแสนนะไม่ใช่เรื่องเล็กเวลาที่ไปแจกของคนยากจนสายเหนือก็บอกว่าไปแล้วกลับมามีฝิ่นเต็มจ้เต็มรถแมายตำรวจตําทานในแกปตาไม่ดีทั้องไองยีเห็นฝิ่นเต็มรถมองไม่เห็นเ <c oughs> มื่อคราวเขาปฏิวัติปฏิรูปกันนั่นพอดีท่านสงัดเฉลอยอยู่ ส่งหอมารับพอยขึ้นหอไปเขาก็ลือบอกว่าเนี่ยพวกปฏิวัติปฏิรูปมาจับไปแล้วได้วุธเต็มได้ถึงกุติหมดที่ความจริงมันเป็นเรื่องของคนที่มีเจตนาร้ายต่อประชาชนทั้งชาติก็จะมาตั้งศูนย์สรงเคราะห์คนยากจนขึ้นมาตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระเจการที่เก้า ด้วยการเอาของไปแจกคนจนเขาไานม่ไปแจกคอมมอนิสต์มันก็เป็นเรื่องแปลกก็ต้องนึกดูว่าคนพวกนี้เป็นอะไรแล้วก็นักบวชนักคุ้มเหลืองพวกนี้เป็นอะไรต้องคิดถ้าไม่หวังทําลายชาติจัก็มรรก็เป็นไปไม่ได้อันมันนั่งคุยกันว่าวัดสร้างขึ้นมาได้ยังไงทําไมยังสร้างใหญ่ การสร้างก็มีเรื่องอยู่ว่าที่แรกแต่ไม่มีอะไรมากมายืนอยู่ที่วัดนี้เฉยๆขึ้นมาดูแล้วคิดว่าอทั้งนี้เพราะว่าอที่เป็นอย่างนี้กิดเรื่องมาจากว่าการขึ้นมาอยู่วัดนี้นั่งนึกในใจว่าเออมันก็เป็นเ ร, เรื่องแปลกที่เราจะสร้างซ่วมทางหลังจะเสร็จไหม <c oughs> แล้วก็ต่อม า, าเรื่องทําการสร้างต้องมาอยู่กระตอะ้อบ์นทีวัดเนี่ยมาปลูกระต้อบอยู่คนต้นโพไอ้รูปร่างกระต้อบเก่าๆอะซากมันยังอยู่แล้วก็รูปร่างเดินเขาจะสร้างอิฐกลางสะอิฐกลางสะมันสวยมากสมัยนั้นไม่มีรั้วรอบขอบคิดแบบนั้นหรอกนะเก็ทําเสริมขึ้นมาเวลาอยกกินก็ไม่ค่อยจะมีอยากินกินบางทีต้องกินกงแห้งกับน้ํนป า, า, า, าปลาบ้างข้าวคุกปลาบ้างมีเรียกว่ามี ประทูตัวหนึ่งกับมีน้ำปลาหน่อยหนึ่งมีพิคันหันกินแบบนี้เองแยกกินมันก็เสียแรงแข็งไม่มาอยู่ขั้นแรกต้องท้า จ, จ้างให้เขาทำเมนโตให้นีสภาพมาอยู่จริงๆนะอยาว่าวเขารับปากมาดีสมบูรณ์แบบแต่มาอยู่จริงทิ้งเลยเพ่อะอะไรั้มไม่ได้เงินตามหวัง เจตนาเดิมคือจะเกาะลงท้ายกิ่นมาตอนหลังก็เล่นได้ฮะแกไม่ได้มาขอเราไม่ไปฝากให้ไม่ไม่เก็บก็เลยเอาชื่อไปขายสบายมากได้ปีเป็นแสนไม่ใช่เรื่องเล็กนะมาทอดประป่ากันทีห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นยังเล็กๆที่สองสามหมืนอันนี้ก็ ในเมื่อเขาเกาะกินไม่ได้เขาเล่นทานนั้นก็เรียกว่าตอนนี้ในเมื่อต่อในการต่อมาในการก่อสร้างก็ทำทีเล็กเถียนน้อยอย่างเงินหมื่นนึงก็ต้องเป็นหนี้เกครั้งปีร้านค้าก็ดีมากแต่ว่าการที่จะทำขึ้นมาได้ก็สายหนึ่งลืมโกโหกชาวบ้านสอง ลืมโกงชาวบ้านแในเวลานี้ก็ยังมีคนแนะนำนะคอยโกหกชาวบ้านให้โกงชาวบ้านเพราะอะไรไหมวันนี้เลิกสร้างซะทีเถอะมันใหญ่โตมากนักการก่อสร้างเป็นอย่างนี้จะขอรวบประตัดไปเลยนะเมื่อสร้างแตงกําลังศรัทธาฝั่งนี้เต็มแล้วในการที่จะสร้างมาเจ้าวัดเขาก็สําคัญเขาถือว่าเป็นคนละวัดเลยนะ ที่ของเขาจะได้จุดจะเข้าไปสร้างในเขตเก่าต้องเช่าเขานะ <c oughs> ขาถ้าว่าต้องเสียค่าเช่าเลยไม่เช่าหรอกแต่ซื้อที่ใหม่เลยคิดว่าไอ้นี่กายนี้ถ้าจะรวมกันไม่ได้แล้ว <c oughs> <ần> <c oughs> นัก็มีอะไรทราบไหมในเมื่อเจ้าวาดเดิมเขาสร้างความในยำปัเปีตามที่กล่าวมาแล้วหน้าตนมีคนลองเรียนไปประสานการขั้นตน ท่านไม่ต้องสอบสวนเพียงแค่ว่าเขียนจดหมายตอบไปตัดสินออกมาเลยใช้ได้มีนายเง่นมากมีเป็นคนเป็นโจทย์ร้องเรียนตอนนั้นเวลานั้นแทบเป็นกำนันได้ไม่รู้การมันไปนอย่างนี้ก็คิดว่านี่กายนี้เราครบกันไม่ได้แน่และถ้าตามลำดับทั้งหมดเป็นอย่างนี้เราครบกันไม่ได้เราตั้งนีนกายใหม่ดีกว่า ยังนี้บอกกับญาติโยมบอกไอ้รระบบระยำระยำญาติโยมก็เบื่อแสนเบื่อญาติโยมรู้ดีก็เลยร่วมใจกันทำบุญกันต่างกำลังศรัทธาที่แรกเขาคิดว่าจะน้อยนักเข้านาักเข้าท่นนี้วิธีปฏิบัติคือเวลาเท่ากระถินเท่า ป, ป่ามีเทศเสะคราวเมื่อจบกิจลงไปแล้วก็เชิญเจ้าของร้านค้ามารับเงินไปหมดเลย ค่ า, าหารการบริโภคก็บริหักค่าการต้อนรับบริหักเราจะไม่หักทําไมญาโยงเงินมาทําบุญถ้าต้องมาซื้อข้าวกินเลี้ยงแล้วก็หักค่าใช้จ่ายแสดวซื้อข้าวกินเช่าที่อยู่มันก็ไม่ถูกไม่ต้องปฏิาปทาคุณพรอป่นบอกว่าอย่าทํานะลูกนะเพื่อนมาบ้านเราหุงข้าวให้กินได้แต่คนโยงเงินมาให้มาซื้อข้าวเรากินไม่ถูกต้อง ยันท้าว่าท่านมาถ้ารู้ก็เลยสั่งเลี้ยงทันที <c oughs> แล้วก็ใจหมดก็มีหลายรายเมื่อกลับไปแล้วแต่คนต่จดหมายมาบ้างสอบถามเพื่อนกันบ้างว่าไม่เคยเห็นที่วัดไหนก็ททำกันอย่างนี้มีวัดเดียวในโลกแต่ทาไมก็ไม่ทราบมีวัดเดียวหรือเปล่าก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาต่อมา เมื่อสร้างเมื่อกำลังใจของคนมากขึ้นแต่ก็ให้มากขึ้นก็ทำมากขึ้นสร้างวัดแล้วก็สร้างโรงพยาบาลจุดตรงกลางยังว่างเว้นไว้ก็ยังซื้อที่เขาไม่ได้ต่อมาก็ปรากฏว่าท่านในแพทย์สมบูรณ์ท่านเป็นอาธิบดีขมานาใหม่บอกว่าหลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลสงผมสักแห่งหนครับผมจะตั้งโรงพยาบาลสงที่นี่ ก็เลยจัดการตั้งขึ้นมาเพราะสร้างตึกไม่ได้ทั้งสสบห้องก็ปรากฏว่าในภาะส ม, มุทรท่านตายนยโยบายของกรมอนามัยก็ไม่ติดต่อกันทํายังไงท่านรับไม่ได้ก็เลยต้องดัดแปลงเป็นสํานักเจริมีปัสนาตอนเป็นสํานักจเจริมิปัสสนา น, นี้ต้องคิดเลยบรรดาญาโยามพุทธบริษัทเวลานี้นะ่ะยังสร้างไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ท่านส่งมาให้นะ ห้องต่างๆที่มีอยู่นี่ยังไม่พอกับจํานวนเงินเขบรดาญาติโยมพระธรรมบริษัทที่ส่งมาให้ตอนหลังนี่ส่งเต็มๆห้องส่วนใหญ่เพราะว่าห้องต่างๆนี่ท่านเจ้ของมีสิทธิ์จะมาอยู่ได้แต่ว่าต้องอยู่ตามระเบียบของวัดแล้วก็ถามว่าถ้าบางอื่นจะแยกนิกายเนี่ยแล้วจะทํำยังไงถ้าจะแยกนิกายไม่ต้องห่วงหรอกคณะส่งไม่มีอานาจเข้าไปถึง และจงอย่าลืมว่าสิ่งที่ถวายพระพุทธศาสนาแล้วนั่นถาวายแก่พระพุทธศาสนานะอาตมายัถือว่าอาตมาก็ดีญ า, ต, าติโยอมพทธบริษสยาสนก็ดียังเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่เราให้กับพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านหมดกิเลสถ้าคนที่ยังมีกิเลสอยู่เข้ามายุ่งกับเราเราก็ไม่ให้ก็หมดเรื่องอันนี้เราไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของคนที่มีกิเลส ถ้าใช้ทรรมเป็นอำนาจเรายอมรับถ้าใช้อำนาจเป็นธรรมเราจะสู้เราจะสู้อย่างเจ้าของทรัพย์สินสู้กับโจรถ้าล่ำเคดก็มาถือว่าเป็นโจรบุกรุกสถานที่ของเรานี่ก็ไปน้นยังเข้าใจพลาดคิดว่าทั้งหมดอยู่ในนายกองสงอย่าเผล่นะอย่าเผลอนะ ไม่ปล่อยให้เพี้ยงพรำขนาดนั้นในการก่อสร้างต่อมาก็มีคนมาพูดว่ามีคนหนึ่งอีโนโ อ, อีโนโนี่จดหมายมันหายไปซะแล้วมันจะมาจากจังหวัดไหนอินบุรีหรือสิงห์บุรีหรือที่ไหนก็ไม่ทราบเขาเสือกมาเห็นได้ยังไงไม่ทราบเพเดินไปเดินมาดูแล้วเหมือนกับพระเรุวรรณหรือเหมือนพ่อเชตวันนั่นแะ พูดเหมือนก็เกิดทันสมัยนั้น <c oughs> สิ่งก็สร้างมีเยอะแต่ไม่ถูกต้องกับนโยบายของรัฐบาลหรืนสมัยปัจจุบันเพราะเวลานี้ต้องประหยัดทำไม่จึงไม่ประหยัดสร้างอย่างนี้เป็นการไม่ประหยัดคำว่าอีหนูนี่เขาใช้สาบก็อะไรก็ไม่สาบให้มันเป็นไปตามนั้นนะ <c oughs> คือก็นึกในใจว่าแหมนี่มันเสือกจริงๆนะ มันน่าจะถามเราก่อนอีคนประเภทนี้มันมีกี่คนในโลก <c oughs> ถ้ามีมากเพียงใดไในโลกก็มีแต่วความทุกข์เพียงนั้นเขาบอกว่าสร้างแล้วไม่มีคนแล้วไม่ประหยัดขอตอบเลย <c oughs> ว่าการสร้างในประหยัดมากอยู่แล้วอาคารที่แพงที่สุดนอกจากพระอมโมุโบสถมีอยู่หลังเดียวคืออาคารกลางน้ำ ม่คิดแต่และชั้นคิดเฟอร์นิเจอร์ปูพรมเสร็จของนในใ น, นาคารทั้งหมดตาตารางเมตละไม่เกินพันห้าร้อบาทและนอกจากนั้นที่สร้างมาแลว้วตาตารางเมตดละไม่เกินหนึ่งพันบาทเป็นไว้แต่คันส่วนที่เป็นทรงไทยอาจจะมากกว่านั้นนอกจากนั้นไม่เกินส่วนที่เป็นทรงไทยก็คือมีพระโบสดเก่า สลานวราชแล้วก็สลาสองไร่ใหม่สลาสองไร่ใหม่ต้องคิดเฉพาะชั้นบนชั้น ล, ล่างล่างลงมานี่ตาตรางเม็ดละไม่เกินพันบาทแน่รวมั้งขัดหินด้วยแลวรวมลูกกรงเหล็กด้วยนะไม่ใช่เฉพาะอาคารที่คิดนี้คิดเฉพาะร่วมในเวลานี้เขาตัการก่อสร้างกันอย่างเร็วตาตางเม็ดละอย่างธรมธรมดาธรรมดาสี่พันบาท ถ้าหากว่าใช้ของแพงอย่างตึกกลางน้ำสวนตึกสงวนจิตยานั้นต้องเป็นตาตรางเม็ดละหกพันบาทแต่เขาสร้างตาตรางเม็ดละหกพับาทอาจจะมาสร้างในตาตรางเม็ดละพันไม่เกินพันห้ารอบาทเพราะอะไรเพราะว่าทางวัดนี้ไม่มีกาไรมึงไม่ต้องเสียค่าเขียนแบบ 2จ้างเฉพาะแรงงานแรงงานของเราจ้างถูกสามวัตถุ ก, ก่อสร้างซื้อเองและกม็มันจะมีกําไรผู้รับเหมาเนื้อเขาต้องมีกําไรเขาต้องการขาดทุนตีราคาของเผื่อว่ามันจะขึ้นเพื่อทําให้ทันเวลาแล้วก็เผื่อคนตรวจงานคนควบคุมงานเขาต้องเสียเบี้ ย, ยไล่ปภายทางเยอะไอ้ตาตรางเม็ดเราหกพันเราสี่พันบางที่เขาขาดทุน ก็ว่ามีเหลือกมันกินไม่จํากัด <c oughs> นี่ทางวัดไม่มีอะไรไม่มีใครจะกินก็สร้างแบบส บ, บายอยากจะถามว่าอีหนูปากมอมที่มันพูดมาอย่างนั้นไม่มีการประหยัดนี่ประหยัดแล้วด้วยอย่างแล้วก็บท่านท่านพูดหลักปักใหญ่ตะปอนะไม่ชุตบอลถาเราปักใหญ่ท่านหนึ่งมาพูดต่อหน้า สร้างไปทำไมเอาคนนะผู้เอาคนมาจากไหนใหญ่โตมโหฬารคนประเภทนี้เนี่ยเขาเคยมีตำแหน่งใหญ่โตมาแล้ว <c oughs> ยังคิดในใจว่าชาติของเราถ้ามีคนประเภทนี้บริหารประเทศไม่ชาหรอกเป็นฝุ่นละอองหมดไม่เย็บพังในละเอียดปลิวลมไปเลยความเป็นไทยจะไม่เหลือเพราะอะไร เพราะแกพูดแกขาดการลืมหูลืมตาคนอยาพูดก็ลืมถ้าลืมตามองนี่มันยังไม่ชัดนะต้องเอามือเข้าไปคลาแล้วก็ใจเข้าไปคร้ครวนแล้วก็ต้องไต่ถามที่วสุติปุริมันถึงจะคนอยาพูดต่อไปไอ้งานที่เขาทำมันมันทำยากมันไม่จะทำได้ไง่ายๆ มันต้องใช้เงินมันต้องใช้บัณสมองทำยังไงงานถึงจะดีทำยังไงราคาถึงจะถูกทำยังไงจะเจริาญศรัทธาญาติโยมได้ให้เป็นที่พอใจของญาติโยมนี่ท่บอกว่าสร้างไปนาพวกคนมาจากไหนแลน้วก็นึกสงสารก็ได้บอกไปลายกระถิ่ก็มาดูสิกระถิ่ปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบห้าลาสลาเดิมสี่เท่าก็บรรจุคนไม่หมด แต่เวลาปกติถ้ามีวันสําคัญของศาสนาที่นี่ไม่มีงานปีนกรมการศาสนาทราบไว้ด้วยนะถ้าอยากเอาเงินวัดได้เท่าไรแต่ที่นี่ไม่มีงานปีเนี่ยก็มีงานวันกันค่าไปฟ้าเสียเดือนเป็นหมื่นๆนี่ไม่ต้องกรมการศาสนาไม่ต้องเข้ามายุ่งหรอกถ้าจะเข้ามายุ่งเข้ามาช่วยมาเถอะอยากเข้าว่าเงินทําไมไม่ไปเข้ากรมการศาสนาไม่แจ้งแจงเอาเนี่ไปแจ้งมันไม่พอใจ ตอนนี้ก็เป็นว่าพูดภาษาไทยว่าคนบ้องตื่นประเภทนี้ยังมีอยู่เยอะการสร้างสร้างตามใจโยมพระพุทธเจ้าแนะนำให้เป็นผู้เจริญศรัทธาไม่ใช่เป็นผู้ทำลายศรัทธาแล้วก็ต้องขอประทานอภัยพระเดชพระคุณที่เคารพพระสังฆาธิการทั้งหลายพระมหาเทรานุเถระทั้งหลาย ผมทํามานานแล้วก็ต้องขอทําต่อไปขออนุญาตท่านหน่อยครับหนึ่งขออนุญาตไม่โกหกชาวบ้านสองขออนุญาตไม่โกงชาวบ้านสามขออนุญาตไม่สะสมทรัพย์สินของชาวบ้านที่ทําบุญมาเอากันไว้เป็นสมบัติของตัวขออนุญาตสามอย่างนี้นะครับ และข้อที่สี่พิเศษขออนุญาตตามใจชาวบ้านคือตามศรัทธาของท่านที่ไม่ผิดธรรมบีไนยอนุญาตไหมครับถ้าไม่อนุญาตผมขอเท่าไหละลาออกจากนิกายนี้ครับนิกายที่หนึ่งแนะนำให้โกหกชาวบ้านสองแนะนำให้โกงชาวบ้านสามแนะนำให้สะสมทรัพย์สินที่ชาวบ้านมาให้ถือเป็นสมบัติของตัว ยันนี่เป็นต้นนี่กายประเภทนี้ผมอยู่รวมด้วยไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเป็นลูกพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกบรรดาพวกอปรีเท่าไหลก็เข้าใจว่าพระมหาเทรานุเทระทุกชั้นคงจะให้อภยัยที่ผมจะไม่พยายามโกงชาวบ้านไม่โกหกชาวบ้านตามใจตามศรัทธาท่านท่านี้เวลาก่อสร้างเวลานี้ผมทําตามศรัทธา ท่านรับปังทราบไว้ดูนะเวลานี้เจ้าของห้องเข้เอาเงินมาให้ว่าห้องที่สร้างมันยังไม่พอไม่พอกับสตังที่เขาให้ไม่ใช่เงินเข า, านี้เงินชาวบ้านธรรมดาแล้วนี่แล้วสถานที่ก็ใช้สตาง ก, กันมาเรื่อยเพื่อเสร์สถานที่แยกยังข ย, ยายออกไปก็นอกจากโครงการที่จะทำนี่แล้วก็มีโครงการอีกคือพระพุทธรูปชํมระนี่สงนี่คาดไม่ถึงเหมือนกัน คิดว่าองค์ละหมื่นบาทที่ไม่มีกำไรค่าจ้างอะไรงานอาไปหมดค่าปูนแล้วก็เงินที่เพื่อก็ให้โดยเฉพาะพิเศษมาให้มามามามาจัดหาซื้อเงินที่ถวายทำบุญอัตยาสายซื้อทุกอย่างซ่อมทุกจุดคิดไม่ถึงว่าทำมายี่สิบเก้าองค์เข้าใจมีญาติโยมพิจิบญญาภาพไม่มีมากแต่ที่ไหนได้ เวลานี้ที่ยังไม่ทําของท่านอีกร้อยองค์เศษองค์ละหมืน่นทําไงอาคารก็ไม่มีต้องมีอาคารให้าค่าอาคารหลังหนึ่งประมาณห้าหมืนบาทก็ต้องรอไปก่อนที่ไม่มีซื้อที่เวล้อยไล่เสร็จเสร็ร้อยไล่เสร็จเส็จนี้ต้องปีสองเจ็ดจะขออนุญาตทํากําแพงก่อนทำอาคารก่อน <c oughs> เข้าใจว่าจะทำอาคารประมาณไักสองปีหลังจากนั้นก็ถ้ายังไม่ตายนะเขาจะสร้างพระให้ท่านตามที่ท่านต้องการ น, นี่เขาบดาพวกปากมอมทั้งหลายโปรดทราบวยการทำนี่ไ ม, αι, ม, ม, ม, ม่ได้แห่เหิมผมละมันนาไม่ใช่ด้่ลายไข่เลยนะมีจะาภาพ่วมาให้แล้วก็มีคติที่ขอนญาตไปแล้วนึงไม่โกหกชาวบ้านขอภัยด้วยนะครับ ที่ท่านนั่งไล่นิยมการโกหกชาว บ, บ้านนะ่ะผมต้องขัดคอท่านเรื่องนี้หากว่าท่านอยากให้ผมตามท่านแล้วก็ผมขอแยกตัวออกนะครับหลวงพ่อปนานไม่ได้สั่งสอนผมไว้นี่พ่อปานเป็นบรุรพาจารย์แล้วสมเด็จพุทธาจารย์วัดอันโน่เจ้าคุณมโหมหาโพธิวงศ์สาจารย์วัดอนโน่เจ้าคุณธรรมะหางพระธรรมปาหังสนาจารย์ว่า ป, ป, ป, ประโยุนวงศ์สาวาท ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดของผมตลอดมาท่านไม่เคยสอนไม่เลยว่าแกจงโกโหกชาวบ้านนะได้มามากทํำน้อยๆบอกว่ายมหมดแล้วแล้วก็เอาทรัพย์สินกันไว้กินสะสมแล้วก็เป็นการโกงชาวบ้านมันตัวนี้ท่าไม่ด้สอนไอ้วิชานี้ที่ไม่ได้สอนมาก็เลยเวลานี้ก็เลยต้องโง่ ไม่รู้เขาโกงเขากิงกันยังไงเขาสะสมว่ายังไงไอ้รวยเงินเป็นล้านๆน่ะมันรวยกันยังไงก็ไม่รู้ก็รวมความว่าการสร้างวัดก็สร้างตามศรัทธาขบรนดาญาติโยมพุทธวริสัตวและต่อไปก็จะมีสวนป่าไอ้สวนป่านีไม่มีอะไรมากสร้างกระแพงล้อมรอบนล้ก็สร้างอาคารสําหรับพระพุทธรูปและกลางก็เป็นป่าป่าก็ป่าท้องที่มีอยู่แล้ว ต้นทองป่าปโปรงเอาไว้เป็นที่สาหรับสงบสงัดท่านที่เจริญพระกรรมฐานนี่ว่าถ้าพระต้องการจะฝึกทุดดงถ้าพระต้องการจะฝึกทุโดงนี่ก็ไม่ต้องไปทุโดงกลางป่าเพราะป่าของเราก็มีอยู่แล้วเอาอาคารตำห้องต่างๆที่ทำ ร, บรอบๆเป็นกรดไม่ต้องการกรดถึงเวลาเขเข้ามาพักที่อยู่ที่สงดัดทุดดงจริงๆเนี่ยเขาหาที่พักที่สงดัด ถ้าไปเจอถ้ำเจอเขาเจอที่สงบสงัดพอที่จะบินบาบได้ไม่ไกลนักก็พักอยู่แล้วปฏิบัติไปเป็นการละกิเลสไม่ใช่เดินท่องเที่ยวไปในที่ในในเดีวในพลยต่างๆจะต่อไปก็จะตูกกล่าวหาเป็นที่สะสมฝึกอาวุธของคมนิตาปลาก็ไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นที่เปิดเผย เจตนาอะไรจาไม่มียทําไมไมีข่าวว่าเป็นคอมมิวคอมมนนอยไปได้กันไหมครับ พ, พวกนี้มีกําลังมากนะเจ้าพวกขายวัดกินเนี่ยโกงชาวบ้านโกหกชาวบ้านเนี่ยมีกําลังมากมีพวกมา ก, กรวมความว่าเรื่องการก่อสร้างเนี่ยทีย่สร้างขึ้นมาได้พระญายโยงก็มีพระผู้ใหญ่บางท่านถามว่าเมื่อไรจะหยุดสร้าง ก็ต้องตอบไปว่าถ้าญาติโยมเลิกให้มอะไรก็หยุดสร้างเมานั้นมีบางท่านถามว่าถ้าสร้างไปยังไม่เสร็จญาติโยมเลิกให้เสร็จหรือไม่เสร็จเลิกให้มอะไรก็มาท่านเลิกให้มอะไรก็เลกสร้างมานั้นให้มันคายอยู่แค่นั้นแหละถ้ายังไม่เสร็จแค่ไหนไม่มีเสียตังให้มันคายอยู่แค่นั้นก็หมดเรื่องของเราก็ไม่ได้ทำเพื่อหวังลาบยศสนเสริญสุข ที่ทํานี่มีเจตนาอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นเ จ, เจตนาแท้จริงที่แรกก็ต้งจะทําเล็กๆต่างกําลังนั่นคือต้องการให้ญาติโยมพระตริษัทอย่างน้อยเมีานิสง์ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ในเวลานี้มันเป็นของเด็กๆใขาจะรู้ได้ไปเกิดที่ไหนเขาทํากันได้เยอะแยะแล้วผู้หญิงผู้ชายฆราวาสเยอะแต่พระได้อย่าง ถ้าได้อย่างดีไม่ดีไปเทศเอออากาศให้ใครเขาฟังไม่ได้ขายที่หน้าเขาทั้งทั้งดีหอมผ้าเหลืองกลนหัวนี่ไม่ได้ขายที่หน้าเขาไอไอระบบที่แฝงตัวเข้ามาในพระศาสนาที่เขาเรียกกันว่าอะไรพวกเดรธีอะไรไม่ทราบแฝงตัวเข้ามารัฐที่ต่างๆเข้ามาแทรกแซงพุทธศาสนาเวลานี้นะครับว่ายเขาเข้าใจดีเยอะแยะ แต่ลูกศิษย์ของท่านก็มีมีการที่โลหน้าเข้ามาลอยที่นี่มาเดี๋ยวว่าอะไรอันดับแรกต้องการให้คนมีคุณสมบัติไปสวรรค์ชั่นดาวดึงก็คือหนึ่งสังฆทานสังฆทานในถือเป็นปกติญาติโยมที่เอาสตังมาให้เฉย อาจมาไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสมบัติส่วนตัวมีความรู้สึกว่าท่านให้เป็นสังฆทานและวิหานทานนธรรมทานด้วยเพราะอะไรเงินจนํานวนนั้นเสียค่ากระแสไฟฟ้าเป็นสังฆทานเลี้ยงอาหารพระเป็นสังฆทานแล้วก็เหลือจากนั้นเอาไปทําการก่อสร้างาเป็นวิหานทาน ส่วนไปทำอย่างเทศนี่ไม่พอทุนเขาขายหกสิบเจ็ดสิบร้อยสองร้อยแล้วที่นี่ยังยี่สิบห้าบาทเด็กเด็กเล็กๆ ก, ก็รู้ว่ายี่สิบห้าบาทมันพอหรือไม่พอเอาก็เอาเงินจำนวนนี้เข้าไปช่วยเป็นธรรมทานต้องการให้ทุกคนบุญส่วนนี้อย่างต่ำที่สุดตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสทิวโลกเป็นอันดับแรกก่อน ถือว่าเป็นทุนไ้ก่อนทุนอันดับแรกคือสวรรค์ชั้นดาวดึงหากว่าท่านมีความดีอื่นมาผสมมาเสกเข้าก็จะขยับสูงขึ้นไปอาจจะเป็นพรหมและจะไปนิพพานก็ได้มีอย่างเลวๆที่สุดท่านได้สมบัติสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วบรรดาอารัจฉีทั้งหลายพยูดแบบนี้สดุ้งไหมอดอุตรีมนุสธรรมแลดีอย่าง ศึกษาหรือเปล่าสองในวิชาสามห้านาบิญญาหกผมสู้ท่านนะเพราะผมพร้อมที่จะแยกนิกายทันทีเมื่อพวกท่านยกพวกมารบกวนผมใช้ระเบียบว่านี่คณะสงฆ์ต้องการจะลงโทษท่านเมื่อไรหรือเป็นโจทย์ฟ้องท่านเมื่อไรเมื่อนั้นจะประกาศตนทันทีวันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราเป็นพุทธนิกาย เราไม่ต้องการรวมกับพวกบรรดาอารัชชีที่ไม่มีความเคารพพระพุทธศาสนาด้วยความจริงจังตั้งใจโกหกชาวบ้านตั้งใจโกงชาวบ้านตั้งใจสะสมทรัพย์สินที่จะบ้านอมมาทบุญเป็นสมบัติของตัวเท่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าใครโดยเฉพาะและก็ไม่ได้ว่าทุกๆคนที่เป็นคนดี หากว่าท่านเป็นคนดีท่านอย่าเดือดร้อนหากว่าท่านเป็นคนเลวท่านเดือดร้อนเป็นเรื่องของท่านเราพูดกันตามคติของพระพุทธศาสนาเป็นนั้นว่าเวลาหมดเสก่อนต่อไปอ่านหนสือจะละเอียดจะออดีกว่านี้พูดไว้เพื่อเข่าข่าวให้รับฟังว่าการก่อสร้างทำเพื่อเจริญศรัทธาของมัรดาทางพุทธบริษัท